คุณเอม็มปัจจุบันอายุ43ปีครับคุณเอ็มบอกว่ามีประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองครับเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรบุรีครับผ่านมา1เดือนละเราตั้งชื่อเรื่องว่าผียุค 4G เรื่องจะเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้คุณเอ็มอยู่ในสายกับเราเรียบร้อยนะครับสายแรกของเราครับคุณเอม็มสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเอม็มสิ่งคุณเอม็มเท่มากเลยนะครับ หล่อมากเลยนะครับเสียงหล่อมากนะคุณเอ็มนะนะครับขออนุญชมคนดีได้นอนได้นอนพักผ่อนเมื่อช่วงกว่าข้ามอ๋อเดี๋ยวนะคดีเอาเหรฮะแสดงแดว่าคนนอนจะเยอะที่เสียงกันหล่อใช่ไหมครับน่าจะนะครเพราะส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยได้นอนเอาหล่อส่วน่จะวันนี้ก็งดพักตับนะครับดีเม่อคืนเม่คืนไปไปไปใายตับมาเยอะครับวันนีก็พักโอ้โอเคโอเคดูแลสุขภาพนะคุณเอ็มนะ ครับคุณเอ็มพร้อมไหมครับกับเรื่องแรกของเราในคืนนี้เกือบจะช็อกไฟติ้งพร้อมครับอย่าลืมนะครับถ้าคืนนี้คุณเอ็มเล่าหน้ากลัวที่สุดเนี่ยคุณเอ็มจะได้ตุ๊กตาแต่ช็อกเป็หนึ่งตัวนะฮะครับนะครับเรื่องนี้ย้อนกลับไปเมื่อหนึ่งเดือนที่ผ่านมาครับผมถามก่อนเดี๋ยนะครับผมถามก่อนว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในจังหวัดเพชรบุรีคุณเอ็มไป็นคนจังหวัดที่นั่นไหมครับไม่ครับผมผมเป็นคนราชบุรีอืมแล้วตอนนี้ผมต้องเดี๋ยวเท้าขวานิดนึงเพราะทํางาน อาชีพผมมาเป็นเซลล์ครับอ uh huh. ก็คือดูตั้งแต่กรุงเทพนะครับภาคใต้ทั้งหมดเลยจะวิ่งไล้ลงมาแต่ที่เตือที่เพชรบุรีเนี่ยเป็นช่วงปลายเดือนคือปลายเดือนตุลาออื hmm. วันที่วันที่28ตุลาก็ค hmm. ือผมไล่ขึ้นแล้วผมจะเข้าออฟฟิศแล้วรประมาณวันที่30บเนี่ยจะถึงออฟฟิศแล้วเราก็ต้องประชุมแล้วก็แบบวางแผน ง, งานอะไรเสร็จแล้วก็เชียร์ดินเชียร์ลิงเช็กอะไรพวกนี้เสร็จครั บ, รบแล้วประม้ณเราก็จะลงมาอีกว่าประมาณวันที่10 กว่าอะไรอย่เงี้ยครับเออ<ต>อเอาเรื่องนี้เป็นยังไงต่อครั บ, รบแล้วก็นี้ผมก็ไล่ขึ้นมาทํางานเสร็จแล้วผมก็ไล่ขึ้นมามาถึงวันที่ยีิบประมาณวันที่ยี่สแปดแครับผมไปที่เพชรบุรีรผมก็ทํางานของผมเสร็จแล้วมันก็เย็นมากแล้วครับตอนนี้ผมก็เลยยังยังยังไม่เข้าดีกว่ายังไม่ตาดีกว่าจะนอนเพชรดีกว่าคืนนี้ผมก็เลยโทรเรียกลูกน้องนะครับลูกน้องผมพวกพนักงานพวกนี้ยเออเฮ้ย มันไม่เอ่ยชื่อแล้วกันเนาะบอกเฮ้ยเดี๋ยวมากินกับพี่หน่อยอะไรอย่างเงี้ยที่ร้านที่ร้านร้านเป็นร้านข้าวต้มในจังหวัดเชียงตูรีถ้าเอ่ยชื่อจะรู้จักครับเพราะว่าร้านข้าวต้มนี้มันจะอยู่ปากซอยกับโรงพยาบาลเอกชนใหญ่ๆโรงพยาบาลเดนี้จะมีซอยทะลุเข้าไปครับเออครับแล้วผมก็นั่งกินกับเพื่อนอยู่นั่งกินกับน้องคนเนี้สองคนนะสองคนนะครั บ, รบกับร้านข้าวต้มเนี่ยที่กินเนี่ยก็คือคนไข้เนี่ยรู้จักกัน ต น, นั้นมันประมาณสี่ทุ่มประมาณนี้นะครับสี่ทุ่มแล้วประมาณสามทุ่มกว่าสี่ทุ่มนี่แหละอ่าผมไม่แน่ใจเวลาอาจจะผิดตรงแต่ประมาณสี่ทุ่มแน่นอนก็ผมก็นั่งอยู่สักพักนึงก็มีเสียงเดินคือมันเป็นซอยครับก็เดินออกมาเดินเหมือนเดินจะเข้าซอยอะ่ะอืเดินเข้ามาเออสวัสดีพี่บอกผมก็หันไปตามเสียงนะคะหันไปตามเสียงหันไปเอา้าวยชื่อได้ไหมฮะได้ฮะเผชื่อได้แนะ่ะชื่อชื่อปุ๊บ เอ้ไอ้ปูอ้ฮานี่มึงมาดังมาเลยครับเ<ล>อคบอครับครับบกเอเนี่ยประมาณนี้คุณประมาณนี้เอ้ยมึงมาดังเลยมานี่มานี่มาคิดถึงมึงยังเลยว่ะเออมันเป็นนางานมาไงบอกพี่ผมมาลาที่เฮ้ยมาลาอะไรวะเพิ่งเจออะไรอย่างเงี้ยมามาเดี๋ยวมานั่งก่อนเขาก็ไม่ไม่นั่งนะพี่อ่าไม่นั่งผมก็เลยเรียกบอกแม่ค้าบอกเนี่ยนะบอกเอ้ยเอาแก้วกับจานชุดนึงพอดีเพื่อนมาผมก็นั่งขยับจากโต๊ะ อือเราไปสามคนใช่ไหมครับคือสองคนได้นัน่งอยู่ฝั่งนูน้นนายอยู่หันหน้าชนกันนะครับที่โต๊ะเมื่อถึงนาก็โต๊นะนล้ครับ <c oughs> อแล้วผมมานั่งอยู่คนเดียวผมก็นั่งขยับจากโต๊ะที่จิดพุตบานทริมถนนเะน่ยมานั่งใกล้กับโต๊ะอีกโต๊ะห <c oughs> นึ่งขยับเพื่อให้เขาได้นั่งสะดวกครับ <c oughs> เออเขาก็ไม่มาแ่งผมก็เลยสั่นแก้วผมก็เลยลุกไปดึงแขนเข้าเข้ามาอืเขาก็เลย ไม่เข้านะพี่ เ, <ร>เขาไม่เข้ า, าผมอะไปถึงจับแขนเขาม า, า, าจับน้องอีกสองคนที่ที่โต๊ะที่นั่งอยู่ด้วยกันเห็น <c oughs> ผมก็เลยกอดคอเขาก็เลยบอกเฮ้ยนี่ปุ๊น้องที่เองเนี่ยไม่ใขาดเก่งคือเขาอยู่อีกแบรนด์หนึ่งคือเชนแจ็ไฟฟ้าที่ผมทํามเขาอยู่อีกแบรนด์อเออจะขาดเก่งเออพอรู้จักไหมอะไรเงี้ยบอกเนี้ยโอก็ไม่รู้จักเลยที่เออเนี่ยรู้จักกันไว้นะอะไรเงี้ยแบบเผื่อมีอะไรเนี่ยช่วยกันได้ศึกษากันได้จากน้องอีกสองคนเขาก็วัาดีก็คือคุยกันปกติ ผมก็ก อ, อดคอเขาแล้วก็พยายามจะเอาเขาไปนั่งเขาเพราะว่าไม่ไนั่งเขาก็ยืน อ, อยู่ตรงนั้นแหละเนอะคือตอนตอนตอนที่คุณเอมพยายามจะชวนเขาเนี่ยเขาอยู่นอกร้านถูกต้องครับก็คือมันมันมนเป็นพุตบาทร้านมันอยู่บนพุตบาทท <c oughs> ี่เขาเขาเขายือนอยู่ตรงถนนในตอยเราลึกมากด้วครับแล้วตรงนี้ก็เป็นพุตบาทแล้วร้านเนี่ยพระโสมเนี่ยโต๊ะที่ผมนั่งเนี่ยก็อยู่บนพุตบาทก็แค่นิดเดียวเองก็แค่เป็นพุตบาทขึ้นมาเนี่ยจากถนนขึ้นมาเป็นพุตบาทที่น่ากินบนโต๊ะอ่ะ แต่เขาเขาไปขึ้นผมก็ดึงนะดึงแขนเขาดึงแขนเขาแล้วก็เข้าไปโอกพอเขาจะมาอะไรเงี้ยอ <c oughs> ็ไม่มาก็เลยคาก็แม่นาตัวกับน้องลูกน้องผมที่ น, นั่งอยู่เ้าก็ไม่มา <c oughs> แม่ค้าก็เอาแก้วมาให้ละเออ <c oughs> ผมก็เลยปล่อยเขาละเพื่อจะไปชงส่งเหล้าให้เขาแล้วก็อาการนอะมาวางให้เขาผมก็เลยเอาการวางให้เขาแล้วก็ชงส่งของผมก่อนผมก็กระโดดของผมไปจีนหนึ่งของผมมันหมดแก็ส่งให้เขาแล้วก็วาง หายไปจริงอ้าวไปไหนแล้ววะผมก็าถามสองคนนี้หายไปหรอใช่ใช่ใช่าหายไปออแล้วเขาสองคนเนี้เขาเห็นเขาบอกเขาเขาว่าดูอยู่เขาก็เดินอยู่ข้างหลังพี่แหละเขาก็บอกว่าเหมือนแววตาเนี่ยเขามองที่ผมแบบแบบซึงซ้งๆอะ่ะบอกเ อ, อผมก็ผมว่าเอ้น้องพี่เป็นไรเปล่ามองตาพี่ซึงซ้งๆมาถึงมา่อวัดดีไปแล้วไปแล้วจะรีดไปไหนอะไรเงี้ยเออแล้วแล้วบอกอะแล้วไปทางไหนเนี่ยเขาเดินเขาไปในซอยนะพี่ อผมก็เลยบอกเอ้าอ้ยังไงวะผมก็เลยลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาเพื่อจะไปดูว่าเดินไปถึงไหนแล้วเราก็จะไปถามว่ามีอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับก็ผมก็ลุกขึ้นมาจากนี้นเดินเข้ามาไปดูเข้าไปดูในซอยไม่มีไม่มีละอืมถึงว่าผมว่าเอ้มันเดินไวจังวะอืมก็ก็ไม่คิดอะไรนะพี่ไม่คิดอะไรผมก็ไม่คิดอะไรเออไม่เป็นไรเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เจอกันอยู่ละเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เจอกันที่ร้านแล้วกันอะไรเงี้ยผมก็มานั่งกินเล่าการปกติซึ่งตอนนั้น ที่ที่ฝันไม่คือดีนะมีคนสองคนลุกมน้องผมนะออืเห็นสองคนนะครับแล้วก็มีแม่ค้าเขาต้มจะหกล้านเนี่ยอาจารย์มาให้เขาจะเอาสามคนละที่เห็นนะครับทุกคนเห็นเหมือนกันหมดว่าผมเนี่ยจะจับเขาได้กอดเขาได้ดึงเขาได้ทุกอย่างเหมือนคนหมดทุกอย่าง ค, คือวันแรนที่ยี่สิดนะครั บ, รบแล้วได้ผมก็เข่าออฟฟิศมาอันนี้ตัดมาเลยตัดมามนะครับนี่จอจบแล้วขามาหัวทำงานกุฏิแล้วก็เข้ามาออฟฟิศครับวันที่หนึ่งเนี่ย ขอเดือนต้นเดือนเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นวันเสาร์นะครับวันเสารผมก็ผมก็กลับบ้านก็ไม่มีอะไรวลาอาทิตย์ก็ไม่มีอะไรวันที่สามาทํางานวันจันทนะครับเออมาทํางานวันจันทรเสร็จก็เปนเจอเพื่อนเพื่อนหลงเหมิดที่อยู่ในห้องด้วยกันที่ผมต้องบอกว่าผมมาเช่าห้องเป็นคอนโดครับอยู่กับเพื่อนที่เป็นเซลล์ด้วยอยู่อีกสามคนก็มาก็มาเจอกันแล้วมาเจอกันกับเพื่อนคนเนี้คนหนึงเพื่อนคนเนี้ยเรา ชื่อแล้วกนันเนาะชื่อพี่หนอมเขาเขาแก่ป่ะแต่ชื่อพี่หนอมมาคุยกันคือพี่พี่หนอมเนี่ยแกดูแลฝั่งผ้าอีสานนะครับครับอืมบอกเฮ้ยรู้เปล่าว่าเอ้ได้เป็นจะไปงานที่ว่าที่งานที่เขาจัดที่ฝั่งประเทศลาวอะครับมันจะมีงานอยู่คือบอกว่าปีน เ, นนเนี้ยไอคนเนี้ยพี่ปุ๊เนี่ยคือมันไม่ได้ไปแล้วนะออืบอกว่าสมัยอะพี่สมัยปิดงานอะไ ร, รอถึงเขาไม่ได้ไป S <S หรือว่าเบสสัก็ไม่ให้ไปอ๋อไม่ไม่มันเสียแล้ว <S <S อื้าวมึงมึงไม่รู้เหรอบอกเฮ้ พ, พี่พี่มาเล่นอะไรกับผมอย่างนี้ ม, มันไม่ดีนะที่ที่ไปพูดมา้างอะไรอย่างนี้ไม่ดีนะ<อ>เฮ้ยทำไมอ่งมีอะไ ร, รเปล่าบอกมีพี่คนที่แปดเนี่ยก่อนผมจะเข่าคลิปมาเนี่ยผมได้เจออยู่เลยอเออบอกเฮ้ยไม่ใช่แล้วนะบอกคนละคนละคนหรือเปล่าบอกคนละคนนี่ยังไงที่เขาจะ เขาเดินเข้าซอยมาเห็นผมอะโผล่อย่างดังหวัดดีผมอะอมันดีเหร อ, อไม่ใช่ผมไปชักเขาเขามาทักผมนะ<อ>ผมก็บอกอย่างนี้อบอกคือเขามาทักผมว่าหวัดดีผมมาบอกลาแล้วไปแล้วรีบอะไรอย่างเงี้ยบอกเฮ้ยไม่เชื่อหรอ ก, อกเฮ้ยที่ที่ไม่ต้องเชื่อผมหรอกแต่พยานผมมีเยอะอทุกคนเกาเห็นจังหวดผมก็เลยโทรเนี่ยให้สองสายที่นา้กินลูกน้องผม Mm. บอกว่าือเนี่ยเจอนะเนี่ยเออมาคนนี้ใช่ไหมส่งรูปให้ดูอะไรเงี้ยอ mm. เออเขาบอกพี่หนองก็บอกเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่หรอกเขาตายไปแล้วผมไม่เชื่อทนาพี่วันนั้นอ่ะผมก็เลยโทรไปหาแฟนเขาเหตไม่ใช่แฟนเขาเหมือนจี๊ดเขาแล้วอแต่แต่เขาประลองให้บอกบออยังไงยังไงอ่ะพี่บอกบอกเออเนี่ยพี่เจอปุ๊ปปุ๊มาหาพี่อ mm. พีดเพจที่ ถ้าว่าพึ่งไปลอยอังคารเข้ามาเมื่อวันที่สิบห้านี่เองนะเนี่ยลูกเขากระดูกเขาอะไรยังอยู่เลยยังอยู่ที่บ้านนะเนี่ยบอกอ่าตกอ้าแล้วตกลงยังไงเนี่ยอ๋อเดี๋ยวนะคือทางกิ๊กเขาเขาบอกว่าพึ่งไปลอยอังคารมาเมื่อวันที่สิบห้าใช่ครับย้อนกลับไปเราไปเจอเขาวันที่ยี่สิดถูกต้องเฮ้ยแสดงว่าเขาเขาเสียก่อนหน้านี้หลายวันแล้วดิถูกครับโอ้แล้วไงนะก็คือ ว่าถามไปถามออมาคือเขาเสียเขาเสียตั้งแต่วันที่สามอุย้ยอามตุตาลานะพี่ต้นเดือนตุลาคมเราเจอปลายเดือนถูกถูกท้องอาาเขาเสียตั้งแต่วันที่สามตุลาแล้วตอเนี้ยผมก็ไม่เชื่อีกผมก็เลยไปโทรไปหาน้องอีกคนหนึ่งซึ่งเขาอยู่กับร้านเนี้ยคนสุดท้ายคือเขาไปจัดรายการที่ร้านเนี้ยเออบอกว่าเอ้ยไม่เชื่อไปโทรไปถามไอ้น้องไอ้นี่ดูแล้วกันเนี่ยก่อนที่มันจะตายมันอยู่ร้านเนี้ยอบอเอ้าเหรอผมก็เลยโทรไปหาเลยบอก งไงที่บอกเออปุ๊ตายเหรอเอาพี่พี่ปุ๊ก็ตายแล้วตายตั้งแต่วันที่สามแล้วเนี่ยหนูไปงานศพเขามาที่ทพเพชรบุรีอ่ะบอกเหรอแล้วทำไมพี่ไม่รู้อ่ะก็บอกเอาพี่ไปอยู่ไหนมาเพราะว่าคราสือตายแล้วเขาก็มันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ะครับรัศือตายเขาก็ต้องไปทําสวบอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่คนรู้แล้วเขบอกจะตอ บ, ตบตนะครับแต่ว่าผมไม่รู้เออเขาก็เลยมามาให้เห็นอย่างเงี้ยครับเก็ผมผมก็เลยทักทักจะไม่แน่ใจแล้วว่า ไม่บันที่เ้ว่อันคนเพื่อความเพื่อความสบายใจผมเนาะผมก็ไปถามสองคนที่นั่ง อ, งอีกเนีย่ยว่าที่วันนั้นเน่ะที่เห็นน่ะเห็นไหมว่าพี่จับคนจริงๆนะเป็นอะไรเงี้ยใช่พี่สองคนนี้ก็เห็นอยู่นะก็คื อ, อยืนยันเดี๋ยวลูกน้องผมสองคนที่นั่งกินข้าวอยู่อใช่พี่ที่จริงๆเขาผมก็เลยบอก พ, พี่พูดอะไรพวกเองจะตกใจนะเว้ยทำไมที่เขาตายไปแล้ววะบอกเนี้ย ไอ้ลูกน้องผมสองคนบอกมันเป็นไปได้หรือพี่ผีบอกเออจริงกันเชื่อเลยนะว่าทําไมอ่ะทําไมผีอะไรวะเป็นตัวเป็นตนจับดึงแขนเดินมาอย่างนี้ผมผมก็ใจคุณเอ็มว่าพอเอ็มฟังเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับตัวของปุ๊เนี่ยเราก็เฮ้ยเราไม่แน่ใจว่าตกลงเขาตายจริงหรือเปล่าเพราะเราก็มีพยานถ้าเกิดโอเคส่วนมากเรื่องผีเนี่ยส่วนมากเราจะเห็นคนเดียวถูกไหมแต่อันเนี้ยมันมีพยานยืนยันถึงสามคนน้องสองคนแล้วก็ แม่ค้ า, าที่รา้านเขาต้ม อ, อีกอยู่แคะมีมะม่ยังไม่นับกับโจ๊กข้างๆเลยที่แม่ค้าเขารู้จักนะคือสามารถเรี้ยงมันเป็นพยานได้หมดเลยเออแ้ยผมผมก็เลยบอกแล้วทําไมอะไรเงี้ยแบบคนเข้มาถามบอกว่าโจ๊กเขาบอกพี่บอกโวคือแบบเรื่องนี้นะเขาออกรายการนะมันกลายเป็นว่าทุกคนเห็นกันหมดมันไม่ใช่เรื่องโจ๊กแบบแบบว่าแบบว่าลที่ไปกอดเขาตัวอุ่นไหมอะไรไม่บอกอุ่น นี่ไงผมก็ถามผมถามว่าตอนที่เราเข้าไปกอดเขาพยายามดึงแขนเขาเนี่ยความรู้สึกของเขาเนี่ยเขาเป็นยังไงบ้างฮะคือตอนนั้นมันก็เหมือนคนเนี่ยแต่ที่มันช็อกกันนนั้ก็คือชุดที่เขาใส่มาหาผมอะผมไม่รูในรูปที่เขาไว้หน้าเมนอพี่เป็นชุดเดียวกันเลยอะเหรอเป็นชุดเป็นชุดในรูปที่เขาไว้หน้าศพอะครับเฮ้ยเหรอใช่ครับแสดงว่าเป็นเป็นเป็นชุดที่เขาใส่ใช่ ในจุดที่เขาใส่ใส่ในโล่งด้วยแล้วก็เาอข่ยเาอยเาไปกับเขาด้วยครับเนี่ยอืมผมก็เลยตอนนี้ผมก็เลยเริ่มเชื่อแล้วแล้วพอมาพักหลังๆเนี่ยพี่ครับก็ช่วงกลางกางเดือนเนี้ยครับพวกที่ว่าอยู่ ใ, ใกล้ๆเขาอะ ก, ก็ก็เจอกันเจอกันบ่อยอที่แบาไปไปเคาะบ้างหรือว่าไปแสดงสัญลักษณ์อะไรอย่างเงี้ยครับ มากอะไยแต่ว่าไม่มีใครเจอแบบว่าเป็นตัวเหมือนผมนะครับก็ถึงเจอมาเป็นตัวมาอะไรเงี้ยแต่อันนี้ยังอันนี้เราไม่จบนะพี่จุดพีกจุดพีกอยู่ตรงที่คือถ้าไปทํามาผมไปนึกได้เมื่อ4ี่ปีที่แล้วครับสีปีที่แล้วผมกับเขาเนี่ยเมื่อก่อนส่ปีที่แล้วเนีผมวิ่งฝั่งอีสานเออแล้วผมก็ไปจัดงานอะไรเงี้ยไปจัดงานกับเขาที่ประเทศเพื่อนบ้านที่ฝั่งลาวอะง่ายๆเนาะก็เ้วผมก็ไปนอนโรงแรมเดียวกัน มันก็เครียดมากเลยที่แบบคือแบบในเรื่องของการจากบ้านจากเมืองอะไรไปหลายวันนะครับครับเออแล้วมันก็คิดถึงบ้านแล้วก็แบบกินก็กินไม่ได้ผมเป็นคนกินยากนิดนึงเนาะออกินอาหารุอะไรไม่ได้ผมก็บ่นบ่ น, บนกันกินซือก็ดื่มกันนะครับครับโบเนี่ยเขาก็พูดก็บอกเฮ้ยพี่ซีเรียสคนเราอ่ะไม่มีใครอยู่จนร้อยปีหรอกอเดี๋ยวก็ ไปแล้วไม่รู้ว่าพี่หรือผมใครไปก่อนกันอนี่ทำไมคุณพูดงี้วะอะไรอย่างนี้นะบอกโอ้พี่ไม่ต้องเสียเรื่องหรอกพี่เชื่อผมถ้าผมไปก่อนนะผมมาหาพี่แต่พี่ต้องสัญญานะถ้าพี่ไปก่อนพี่ก็ต้องมาหาผมเหมือนกันซึ่งตอนนั้นผมไม่ได้คิดอะไรมอใครไปคิดอ่ะถูกไหมอ่าฮะถูกต้องแล้วก็เอามายงเอามายงที่ว่าหนึ่งผมไม่รู้สองพี่หนอม จำที่ตอออกลู้เมียผมได้หมัำไ้ตอนนั้นตอนนี้เนี่ยเขาอยู่ด้วยตอนนี้ปูเขาพูดแบบเนี้ยเขาเคยมาย้อนให้ฟังมันอาจจะเป็นสัญญาหรือเปล่าที่ว่าเขาเคอขุ่ยไว้บอกไว้อย่างเงี้ยเขาก็เลยมาลาผมบออืกผมก็เลยบอก้แต่ว่าคุยกันอย่างนั้นมันก็ไม่ได้ไปแบบเกี่ยวป้อยไม่ได้ไปจับมือไม่ได้ไปจีดเลือดสาบานอะไรแค่เป็นคาพูดแค่นี้มันจะปูกพันอะไรขนาดนี้เลยเหรอครับผมผมผมก็เลยเป็นอย่างนี้พี่ก็เลย ก็เลยก็เลยได้จุดที่ตรงนี้เสร็จแล้วมันมีเดี๋ยวต่อยนิดนึงออพอพอในเนี้ยมาบ้าออกคลิปแล้วประมาณวันที่สิบสองผมก็รู้สึกใจที่างที้เออผมก็เลยไปทําบุญเสร็จผมก็เลยลาพักล้นเลย อ, อืแล้วพอลาพักร้อนเสร็จเนี่ยแล้วมันจะไปตรงกับงานช่ว ง, น ง, นว ง, งนนเนี้ยงานพระธาตุหลวงตรงเนี้ยพอดีที่ผมเคยไปกนะับเขาอะนะผมก็เลยว่าเออเดี๋ยวลาเนี่ยเดี๋ยวไปทําบุญดีกว่าหางไปฝั่งนู้นไปอะไรเงี้ยไปแบบ ให้มันจิตใจมันสบายค่ับพี่ uh huh. เสร็จแล้วผมว่าจากกรุงเทพผมก็ตรีรถขับรถไปอะไปนอนที่อุดร อ, uh huh. อือแล้วผมเอาเรื่องเนี้ยไปคุยกับเพื่อนเมื่อสี่ปีที่แล้วที่ว่าปุ๊เขอยู่แล้วก็ที่ปลูกพันธุ์กันนะครับครับน uh ี huh. ่ไม่มีใครเชื่อเลยพี่ก็คือไปนั่งไปนั่งกินกันไปอะไรกินกันไม่มีไม่มีใครเชื่ออือืม uh huh. แล้วคันเนี้ยก็ไม่เชื่อก็ไม่น้องเชื่อผมอว่าอย่างงนะ uh huh. ี้ยเนาะแล้เสร็จก็สองคนก็คือเรา เป็ร้านอาหารนะครั บ, รบก็ต้องออกไปสูบบุหรี่ข้างนอกเนะาะฮารุวนนินิติแลก็ออกไปสูบบุหรี่แล้วก็มีเขากับคนที่ไม่เชื่อเนี่ยสองคนเข้าไปแล้วก็สูบบุหรี่กันไปชิลจุดจักรยานหนึ่งที่มีมอเตอร์ไซค์อะครับขี่เพื่จ่ายไม่รู้สองคนเด็กวัยรุ่นเป็นฮอนด้าเวฟขี่ก็มาขี่ผ่าที่ลักษณะกวนอนะผ่าวงที่เร า, อ, าอยู่อยู่เฮ้ยเอเอเอมัอนหาเรื่องอะฮะครับผ่าก็าาามา อ, อ่าถูกต้องแล้วก็ขี่ก็มาแล้วก็มาจอดผมก็มองหน้ากับเพื่อน ที่เยงกัด้วยเอ้ยถ่ายก็มีแย่ๆทำไมไม่ขี่ไปทำไต้องมา ข, ขี่ขี่แวกเราเข้าไปด้วยก็ไม่มีอะไรก็ยังคุยเรื่องนี้กันอยู่ผมก็คืออจะเชื่อกแล้วแต่แล้วพี่อะไรเงี้ยเนาะเสร็น้องสองคนเนี่ยที่จอดแล้วก็เดินเข้าร้านอาหารเนี่ยเข้าไปตัดมาที่มอเตอร์ไซค์พี่พอทะเบียนสามตัวข้างบนนะครับก็คือตัวไก่พอโทุพอทหารงอมูหนึ่งหนึ่งหกเอสบุรี มันพีคตรงไหนพีน่มันพีคตรงที่ผมยืนตรงนั้เหมือนผมยืนอยู่จังหวัดอุดอรนะพี่รับสบิยรถเพชรบุรีอยู่ที่อุดอรนะ่ะเพราะว่าเราเจอเราเจอปูที่เพชรบุรีถูกไหมใช่ปูเป็นคนเพชรบุรีแล้วผมก็เจอปูที่เพชรบุรีอ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออออออออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออาออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออออออ๋ออ๋ออ๋เอ๋อมมอ๋ออ๋ออ๋ออออ อ่าพี่ที่จาเลขกระเบียดไปนะเสร็จผมก็ไม่คิดอะไรเสร็จผมข้ามไปฝั่งโน้นผมก็ไปทําบุญไปอะไรผมขย่าวเตรียมซีออกมาครับก็ได้หมายเลขหนึ่งสิบหกครพี่หนึ่งหกอีกเป็นหนึ่งหกสองครั้งแล้วนะครับออแล้วจะบอกว่าเมื่อพี่ไวยออกเนี่ยครับเจ็บเต็มเลยพี่เห็นหนึ่งหกคือเหมือนพยายามบอกเราสองครั้งแล้วอะแต่เราไปซื้ออรอแต่ผมถูกนะใช่ครับผมอืผมรุกผมคือจริงๆเนี่ยผม ผมก็เป็นคนเล่นหวยแต่ว่าก็คือซืออตเตอรี่ใบสองใบอะไเนี้ยแต่ผมมีๆๆ่นเยอะแต่ว่าผมมาครั้งแรกก็คือยังคุยกับเพื่อนเพื่อนคนที่ไม่เชื่อนะครับก็คือเริ่มเริ่มหยดเชื่อแล้วก็คือคุยอะไรเกี่ยวนี้ยคือมันเป็นไปได้ยากมากที่มีมอตเตอร์ไซค์ทะเดียนเล่นบุรี่ในปอดที่จังหวัดอุดร น, นะพี่เป็นสำลยซึ่งมันไ<ล>กลกั น, กานมากน ะ, นะครับใช่ไกลกันมากผมก็เลยบอกว่าเอานี้้กันเนี่ย อยให้ทันเลยเลยให้หาเปลียนเพชบุรีมาให้ได้ในะคืนนี้เออเอาแบบจังหวะที่คุยกันเรื่องเนี้ยแล้วขี่แท้เข้ามาเออมันเป็นอะไรที่แบบมบบนันแปลกครับค่ะผมโอ้โหนะเรื่องนี้นี่คือเรื่องราวทั้งหมดกับเรื่องของคุณปุ๊ซึ่งเป็นพี่เป็นน้องที่ากการู้จักกันนะครับกับการทำตลาดเป็นเซลล์นะครับทีนี้ผมถามก่อนนะครับย้อนกลับไปไอ้สีหน้าแววตาของคุณปุ๊ที่เราเจอครั้งแรกอะเรารู้สึกยังไงครับหรือว่าเราจําได้ไหมว่า ทำไมเขาดูแปลกไหมเขาดูไม่เหมือนคนปกติไหมหรือว่าเขาดูอะไรที่มันแบบบ่งบอกได้ว่าเขาไม่ใช่คนนะอะไรเงี้ยคือเหมือนเหมือนปกติคือกระผมกับเขาอะ ปกติก็คือเขาจะเป็นคนเสียงดังอย่างที่ผมวันแรกอะครับเข้ามาแล้วจะเว้ยวายเอ้พี่วันดีพี่อะไรเงี้ยคือเสียงจะมาก่อนตัวเลยเออมาแล้วก็จะมาแบบเสียงดังว้ยวายอะไรที่ตื่นไม่ใส่เขาอะผมผมผมดว่าเอ้ามามามาโอ้โหไปไหนมาอะไรยเงี้ยเนาะก็เลยบอกครับเขาเลยบอกว่ามาเนี่ยพี่ผมมาลาพี่เนี่ยโอ้โหคิดถึงเลยเนี่ยถึงว่าจะไม่ได้เจอพี่แล้วบอกเฮ้ยจะรี่ไปไหนอะไรมาเจอกันแล้ว จะลาไปไหนเพิ่งเจอกันวัเนี้ยมานี้มานั่งก่อนอะไรอย่างเงี้ย อ, อผมก็ไปจับไปดึงอะไรเงี้ยทำไ ม, มไม่ยอมนั่งนะผมก็เลยงงๆแล้วมาเรื่องกันมาเฉลยตอนที่เ อ, อเขาเสียวันที่สามแล้วพวกที่ไปเนี่ยก็มีอยู่ในกลุ่มพวกเนี้ยครับเขาก็ไม่มีใครบอก <ừ> ผมเลวยนะผม้ก็เขา<อ>คงคิดว่าผมไ ม, ไม่ไม่มาหรือว่าแบบผมไม่มีเวลาหรอกอะไรอย่างเงี้ย คงไปไม่ได้หรอกมาไม่ได้หรอกอะไรเงี้เพราะด้วยความด้วยความที่แบบว่าตอนมีชีวิตอยู่ก็สนิทกันแล้วก็คงจะนะคงจ ะ, งจะรู้จักมังกรกันพอสมควรนะครับแล้วเขาเขาเข า, เข า, เ, ข า, เ, ขาเขาคงรู้ว่าตัวของพีเอมเนี่ยไม่ได้ไปงานเขาน่าจะพี่แต่แต่คนที่ไปงานเขาอะครับทุกคนเลยผมบอกเลยนะซื้ออายุเขาว่าสามแปดทกวันที่ออกถูกหมดทุกคนเลยพี่นี่ไง นี่ไช่ปมาเล่าช้าแหะครับผมไม่ไม่จริงจริงก็อย่างที่เขาให้ผมเนี่ยเขาให้สามแปดอย่างที่เจอผมเนี่ยเขาก็ให้หนึ่งหกผมก็ไม่ได้ซื้อสามแปดก็ไม่ซื้อซื้อเหมือนว่าเขาแต่เขาเป็นคนชอบเล่นหวยแล้วก็เหมือนให้โชคให้ลาบเลไอย่างเงี้ยครับนะฮะอีกหนึ่งคำถามสุดท้ายถามว่าโทษนะครับเขาเป็นอะไรเสียครับครับเขาเป็นโรคขอผื่ครับคือน้องน้องเขาว่าเขาเคยอยู่ในอาการที่ว่าเหมือนตายแล้วเกิดใหม่มาครั้งหนึ่งอะ คือแบเหมือนเหมือนแบบแบบไปโรงพยาบาลทันนะแบบคปอดนะครับเป็นโรคปอบแบบต้องต้องต้องซีวิตเซลล์อะครับมันจะดื่มเหล้าอนาะมีเจอเพื่อนเจอดื่มเหล้ามีอะไรเงี้ยาบางทีก็สังสรร์หนักอะไรเงี้ยครับเ อ, อแล้วเขาเขาไปดื่มเหล้าไปแล้วเขาก็ไปนอนอแล้วเขาก็ ก็คือในนอนในห้องนะครับแล้วมันไม่มีคนช่วยครับ mm hmm. คือเราอยู่คนเดีวเราเป็นใไรเราไม่มีคนช่วยในโรงแรมเพราะว่าเอาะวาสิ้นสิ้นใจตายที่โรงแรมโธครับผมอ่ะเนี่ยแล้วแต่ก็ขอแสดงเสียใจกับการสูญเสียเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งไปนะครับที่รู้จับมังกีกันแต่ว่ามันแปลกก็คือพีไม่ได้เจอคนเดียวเรียกว่าเจอทั้งแบบเกือบสิบคนก็ได้อะ่ะ ทั้งร้านเองก็ดีลูกค้าที่นั่งอยู่โต๊ะข้างก็ดีก็เห็นหมดว่าคุณปุ๊ดเดินเข้ามาวายๆบอกว่าเฮ้ยว่าไงพี่สบายดีถูกต้องเอออถึงจังเลยว่าอะไรอย่างเงี้ยผมก็เอ้ามามามามานั่งกันมากินเล่ากันเลยครับซึ่งต่างจากเรื่องผีทั่วไปบางทีแบบเราไปนั่งสองคนแต่แม่ค้าจะจัดจานมาสามชุดอะไรอย่างเงี้ยโหอันนี้ไม่แม่ค้าเอาจานมาให้ด้วย เอาแก้วมาให้ด้วยแล้วก็เห็นด้วยถูกไหมถูกต้องถูกต้อง อ, อ, อ้าวอ้าว น, นคือเรื่องราวทั้งหมดนะพี่เอมนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากเดี๋ยวคืนนี้อรอลุ้นนะครับว่าเรื่องนี้จะน่ากลัวที่สุดประจําค่ําคืนนี้ขอ ง, ของช็อคไฟติ้งหรือเปล่านะครับอืมครับแล้วเดี๋ยววันหลังผมโทรมาเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับการเดินทางของผมก็มีมีมหลายเรื่องอยู่เหมือนกันผมว่าอีกหนึ่งอาชีพเนี่ยนะครับ<า><า>ที่เป็นเซลแมนเน<ช>ี่ยเป็นอาชีพที่มักจะเจอเรื่องแ ป, ปลกๆเยอะอยู่พอสมควรเหมือนกันเจอเยอะมากจนไม่อยากจำ เอาละฮะว่างๆนะว่างๆนะพี่เอ็มนะโทรสัมมาเล่าขวัญอีกนะได้ครับขอบพระคุณมากครับพี่เอ็มครับสวัสดีครับสวัสดีครับ